บุ๊กทูสิบสองปันณนุเครื่องดื่มปานิยาลุดิฉันดื่มชาค่ะเนนตีตากุตานุดิฉันดื่มกาแฟค่ะ นีนุกาแฟตากุตานดิฉันดื่มน้ำแร่ค่ะนีนุมินเนร์ลนวอเตอร์ตากุตานคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะมีรุตีโลนิมมไ ก, ก่กะลปุกุนตากุตาระคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะมีรูกอฟฟโลเช็ค ก, กระกลปุกุนตากุตาระ คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะมีรุ่นนีแหละล่ะไอซ์เวสคุณตากุต่ารามีงานเลี้ยงที่นี่อีกกะดะวะก่กปาร์ตี้จรดกุตนดีคนกำลังดื่มแชมเปญมนีม่นชิลุแชมเปญตากุตุนนารุคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์มนี่ชิลุ ไวน์มาริโอเบียร์ตากุตุนนารุคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะมีรู้มอดเยมตากุตาคุณดื่มวิสกี้ไหมคะมีรูวิสกี้ตากุตาระคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมคะมีรูโคกโลรัมคัลปุคนตาุตา ดิฉันไม่ชอบแชมเปญนากูแชมเปญนิสต์ทเลดดิฉันไม่ชอบไวน์นากูไวน์นิสต์ทเลดดิฉันไม่ชอบเบียร์นากูเบียร์นิสต์ทเลดเด็กอ่อนชอบดื่มนมซีซั่วกี้พอลและเตยิสต์ท เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ลพิ่ล็กเลกโกโก้ม a p p ย e ่แอปเปิลยูิสต์มผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุตสตรีกินาเรนจ่ามริอยู่ัมปร์ปนสันเตสต์ม